น, นั้นก็อยากจะให้เราได้ศึกษาร่วมกันก็ในเรื่องของการศึกษาการรมฐานเนี่ยเอามาว่าเรามองข้างเรื่องของอินทรีย์นะคุณทุกทอินทรีย์การพัฒนาอินทรีย์อินทรีย์ห้าพระห้าเนี่ยเราเมา่ค่อยได้ปางโลกกันเท่าไหร่ทั้งทางได้เป็นส่ว น, นในสติปัฏฐานสูตรการพัฒนาให้องค์ประกอบมันเข้มแข็งเราเป็นเน้น อีซห้าก็เรื่องของกายนะแล้วก็อีซรูปมีหกนะีซตาหูจมกูกลิ้นกายใจตาเข้มแข็งไหมหูเข้มแข็งไหมจมกูกเข้มแข็งไหมแต่ว่าเรามาเน้นในรูปคือกายใจถ้าหากพลังกายเราไม่เข้มแข็งเนี่ยเวลาเรามาศึกษาเรื่องกรรมฐานเนี่ยมีผลอยู่เพราะถ้าเราไม่เข้มแข็งร่างกายเราอ่อนแอ มันง่ายต่อการรับรู้เวลาละหนาวนิดนิดหน่อยตัวมันหนาวอีกแล้วหลายร้อนนิดนิน่อยมันร้อนมากมากนั่งปวดนิดหน่อยเหมืนอนร้อนนั่งหนักนั่งเดียเดียวก็เมื่อยนั่งเดียเดียวก็ปวดก็เลยอิจฉาอ่ อ, อนคือมีเวทนาแรงก็จะเป็นอุปสรรคแกรรมฐานเพราะถ้าร่างกายอ่อนแอเนี่ยเวทนามันจะสูงพอเวทนาสูงก็ทําให้ไปบีบคั้นจิต พอไปอขั้นจิตแล้วก็จะไม่ทนตาาอ่อกันรักษาจิตให้ลักษณะที่รู้เฉยเฉยไม่สามารถจะรู้เฉยเฉยได้นานหรือรู้ซื่อได้นานเพราะจิตมันมันถูกบีบคั้นด้วยเวทนาเพราะน่าจะอกสิงอ่อนนั้ น, น, น, นส่วนหนึ่งที่ใครมีการใช้ร่างกายฝึกฝนร่างกายมาดี ง่ยเพความข ย, ยันมันเพียรมีชอบทําการงานตั้งใจก็มีภูมิต้านทานระดับหนึ่งต่หลังมาเราก็มาพิจารณาเห็นจุดเนี้ว่าเป็นจุดสําคัญครูบาอาจารย์ในสายกรรมฐานครูบ อ, อาจารย์ในสายกรรมฐานในท่านใช้เวลาสแสวงหาสภาวะธรรมเพื่อการดับทุกข์มาตลอดชีวิตพออายุท่านได้สักเท่าไหร่ ห้ 16, าสหก็ดสก็มีอันต้องไม่ไหวนะใช่ไหมเจ็บป่วยและการทำงานก็ไม่สะดวกก็ไปนอนป่วยโรงพยาบาลบ้างนอนเป็ น, นาอาพุมาพาดบ้างยี่ทำงานก็ไม่เต็มร้อยนะห ม, มายความว่าทำๆหยุดๆที่ทำให้รู้สึกหาก็รู้สึกเปลงใจออาจารย์ทุกธรรมาภานมาสอนเรา ก, ก็ก็ไม่ได้เต็มที่แทนที่จะตั้งใจฟังก็รู้สึก สงสารท่านทำงานหนักลักษณะอย่างเงี้ยเราดืมคิดไปว่าถึงแม้ว่าเราจะมีโครงสร้างทางร่างกายที่อ่อนแอมาก่อนก็ตามแต่ในแง่พุทธศาสนาเนี่ยมันพัฒนาได้อยากจะมาภาามาถือว่าเป็นคนอ่อนแอนคิคีโลกนะสมัยก่อนแต่หลังจากที่มาเข้าใจกรรมฐ า, านแล้วเพิ่งได้รู้ว่าอะไรเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติก็คือสุขภาพ อ, อ่อนแอนั่นเอง เริ่มต้นจะมาเป็นไมเกรนเป็นหัวใจเป็นไกลประสาทเสื่อมเป็นกระเพาะภูมิแพ้นี่ประจำเลยถึงว่าเป็นกรรมพันธุ์ที่ได้มาจากบรรพบุรุษทีเดียวเก็หลังจากเข้าใจกรรมฐ า, านแล้วก็รักษาทีละอย่างใะอย่างในอย่างมาจนกระทั่งเกือบหมดทุกอย่างเหลืออันหนึ่งที่รักษายากที่สุดคืออะไรผุแพ้คือากาศ ร้อนหนาวจัดก็ไม่ได้แต่พอหลังมาความริ่มมาออกกำลังกายช่วยเนี่ยภูมิแพ้ก็ค่อยควบคุมได้นะระยะทั้งแต่ปีสองเก้าจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยการไปกินยาหาหมอเข้าโรงพยาบาลแทบจะนับครั้งได้เลยเนี่ยนะถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่กินยาไม่ไปหาหมอถ้าเป็นยาต้นหลังเนี่ยก็มาศึกษาเรื่องแพทย์ทางเลือกนะ แต่ทั้งเลือกหลายสกุลทีเดียวก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการใช้เคมีบำบัดใช้ยาเคมีชนิดต่างๆเริ่มต้นรักษาเรื่องลูกระเพากก่อนเรื่องการไปอ่านตำราเรื่องการดื่มน้ำเยอะๆน้ำอุ่นเช้าเย็นเรื่องการออกกำลังกายด้วยโยคะก็ทำมาเรื่อยๆตอนหลังมามาพบวิธีการ รากษาสุขภาพด้วยที่การดื่มน้ำผักป่นของดรรสุขนภุ่มพันธุ์วงศ์ต่อมาก็พบทฤษฎีของอาจารย์สิทธิวัฒน์คำภาต่อมาก็ล่าสุดของหมอเขียวเนี่ยทฤษฎีการสมดุลร้อนเย็นก็ทำจริงจังนะจนกระทั่งว่าได้พาหมอเขียวไปอเมริกาไปเผยแพร่ที่อเมริกาในกลุ่มทีษศีหมอเขียว ตอนนี้เขาก็าไปกันบ่อยแต่เอามาิ่มต้นไะปนลงที่拉斯เวแกนนี่แหละทั้งกลุ่มเลยนะี่เพราะได้อ น, นี้สงูงทั้งนี้เพื่อที่จะให้เห็นว่าเราต้องพึ่งตนเองให้ได้ไม่ใช่พึ่งหมอพึ่งยาพึ่งพยาบาลเป็นเป็นประจําเพราะฉะนั้นคําว่าอัตตาหีอาตาัตโนวาโถมันก็จะไม่เป็นความหมายที่สมบูรณ์คําว่าพึ่งเนี่ยมายควว่ า, า, วาพึ่งได้ทั้งสองอย่างพึ่งในส่วนทั้งที่เป็นรูปธรรม นามธรรมในส่วนที่เป็นรูปธรรมหมายถึงในรูปเนี่ยเราจะต้องมีความเข้มแข็งเพียงพอเพื่อที่จะให้ไม่ใช่เป็นเครื่องบำรุงบำรเลอรให้เราได้สุขมีความสุขได้เสพสุขกับกายนี้ไม่ใช่แต่เพียงเพื่อเป็นภาชนะตราบใดที่เรายังไม่หมดกิเลสอาสวะอย่าให้ขอให้อย่าพิ่งให้ร่างกายของเราเนเสื่อมไปก่อน เมื่อไรเราหมดกิเลสอาสวะโดยสิ้นเชิงแล้วเนี่ยมันจะแก่มันจะเติบมันจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าสมมุติว่าหมดหมดกิเลสอาสวะร่างกายนั้นเข้มแข็งอยู่เราก็าจะใช้ร่างกายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการที่จะถ่ายทอดเป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยให้คนอื่นได้ชี้แนะคนอื่นได้หายโรคอาสะวะโรคสังโยคโรคกิลกกเลสทั้งหลายเนี่ยได้ แล้วก็เป็นเวลายาวๆนี่ได้เนี่ยเพราะเรามาคำนึงครูบาอาจารย์ทํางานเผยแพร่ไปนานท่านก็เจ็บป่วยแล้วก็ตายไปแล้วก็เสียดายภูมิธรรมภูมิปัญญางท่านที่ท่านเสรหามาต่อไดชิมแต่ท่านเอามาแบ่งปันให้เราได้ไม่นานท่านก็ต้องไปทีนี้คนรุ่นรุ่นหลังมาพอครูบาอาจารย์ที่มีกําลังภูมิรภูมิธรรมภูมิยาได้ล้มหายตายจากไปคนรุ่นหลังก็ไม่มีที่พึ่งทางด้านสติปัญญาทางด้านนี้ แล้วครูบาอาจารย์รุ่นหลังๆแล้วก็วิชาก็ไม่แก่กล้างไม่เข้มแข็งเหมือนท่านอย่างนี้นะคนรุ่นหลังๆมาก็คอยได้ขาดที่พึ่งด้านนี้ไปมาได้คํานึงถึงข้ อ, อสําคัญเหล่านี้ก็เลยพยายามดูแลทั้งสองส่วนบางคนก็รับได้นะมาทำบางคนก็รับไม่ได้ว่าหล่อมหาดีทุกอย่างเสียอย่างเต้นแรงเต้นกลาออกกำลังกายมันเด็กแล้วเราก็ยอมฟังแต่ว่า ฝนมันเกิดกับเราโดยที่เราใช้วิธีนี้มาตลอดแล้วก็คนไหนที่แมนเตียต่มา ma, ในที่สุดก็มาตามมาต่มาหมดเหมือนกันอรับ <c oughs> ไม่ได้ร่างกายนี้เป็นอะไรช่งทุกขังหน้าตาไปเอาอะไรกับมันดั้งหนาใช่ไหมหรือเป็นอุปทานหรือเป่ายึดติดหรือเปล่าไปนู่นเลยนะ <c oughs> แต่คนที่พูดอย่างนี้ในที่สุดก็ร่างกายก็เดี้ยงนะพอร่างกายเดี้ยงก็หันกลับมาทํำนีนะ้บางคนออกมาก็ต้องพาไปรักษาไปหาหมออะไร หาวิธีแนะนําเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของอย่าดืมว่ารูปอันเนี้ยกว่าเราจะได้มันมาเนี่ยเอามาเป็นคนคิดไม่เหมือนเพื่อนคิดอะไรก็จะย้อนไปว่าเราขึ้นมาเป็นคนได้เ น, นี่ยเรามันพัฒนาไปอย่างไรถ้าเด็ดต้นมาโลกนี้มันไม่มีอะไรเลยใช่ไหมมีว่าก้อนธาตุก้อนหนึ่งลอยคลคลางอยู่ในจักรวาลถึงก้อ น, นดวงไฟใหญ่ๆแล้วเกิด ปีล้านล้านปีต่อมาดงไฟดงใหญ่ก็ น, นี้ก็เกิดแตกเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็หมุนอยู่กันในส ก, กาวา น, นี้เ ก, ก็ทั้งมาเย็นลงพอเย็นลงก็มีการจับตัวของก้อนน้ําแข็งก้อนอะไรขึ้นมาก็เกิดท่าดน้ําขึ้นมาก่อนการกาดานั้นก็หมุนไปตามกฎของใจรักท่าดน้ําก็มีเป็นท่า ด, ดินเพราะท่ดินเกิดขึ้นมาก็จะมีตัวเชื้อ กเกิดขึ้นในดิดนธาตุอาหารต่างๆเกิดที่นในดินก็ก่อให้มีสิ่งมีชีวิตตั้งแต่นอนตั้งแต่ไส้เดือนเถึงตัวตัวอะไรตัวอะไรเกิดขึ้นมาพัฒนาขึ้นมาหลายร้อยล้านปีจนขึ้นมาเป็นสัตว์น้ําก่อนพัฒนาสัตว์เป็นสัตว์น้ำมาอีกหลายร้อยล้านปีก็มาเป็นสัตว์ขึงนบกคขึ้งน้ําสัตว์ขึ้บกขึ้นน้ำก็พัฒนามาอีกหลายร้อยล้านปีมาเป็นสัตว์ตระกูล ต, ตา่างๆ จนกระทั่งมาเป็นเราเนี่ยพัฒนามายาวนานมากนับชาติไม่ท้วนเลยวันพัฒนามายาวนานเท่าไหร่จนมาเป็นเราในวันนี้แล้วเราก็จะเวียนว่ายใจเกิดอยู่เนี่ยคุณโอเคยเกิดมากี่พ่อกี่ชาติแล้ว <c oughs> พ่อมีนี่อย่างใครเพิ่งนั่งมึงนั่งพ่อไม่ได้มพ่อจะจี้ให้ตื่นตลอดเวลาเพราะงั้นเลยจะเป็นบาปในการทั้งฟังธรรมแล้วง่วงไม่ได้นะ <c oughs> ต้องตื่นตัวอยู่เสมอนะเพราะเรา เรามาศึกษาร่วมกันนะเราจะทำไงให้เข้าใจในสิ่งที่หลวงพอ่อพูดได้ทุกเรื่องนะ เ, เพื่อเรียนําไปพัฒนาตนเองนะีโดยเฉพาะเราเป็นนักกรรมฐ า, านด้วยแล้วยิ่งง่วงก็ได้เยียเดี๋ยวมัน เ, เสียเชื่ออาจารย์เพราะฉะนั้นก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเออือพุทธยิยถาที่แต่ว่าการเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นของยากที่สุดเพราะอะไรสัตว์ในโลกเนี่ยแค่จอม ปลวกจอมเดียวนี่น่ะมันมีประชากรมันมากกว่าคนบรรลุในในโลกนี้นะประมาณสักหกสิบพันเจ็ดเจ็ดเจ็ดล้านที่เจ็ดพันล้านโอหเจ็ดพันล้านเดียวหกพันล้านเจ็ดพันล้านแค่จอมปลวกแค่มดสักลังหนึ่งมันเท่ากับประชากรประเทศประเทศหนึ่งอลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าสัตว์ที่มันเป็น อยู่ในโลกนะี่มันมากมายมหาศาลแต่ไ ม, มีโอกาสจะพัฒนามาถึงระดับนี้มันกำลังไก่เต้ากับพัฒนาไม่รู้อีกกี่ร้อยล้านปีมันจะพัฒนามาเป็นคนมดตัว น, นั้นอนะ่ะใช่ไหใไสเบียนโดยนั้นกาจะพัฒนาเป็นคนนี่ไม่รู้กี่ร้อยล้านปีดัง น, นั้นเราให้เราเห็นว่าร่างกายที่มีเป็นสิ่งเป็นปฏิมกกรรมปฏิมากรรมของธรรมชาติที่มีค่าที่สุดเพราะนั้นเราจะรักษาดูแลรักษามันให้ใชป้ประโยชน์ให้นานที่สุดได้อย่างไร และให้ดีที่สุดได้ย่ังไม่ใช่นนานเพรากระสอบกระแสนเป็นภาระของอื่นไม่ใช่ต้องให้ดีที่สุดถึงวาระสุดท้ายด้วยนะคุณน้อยแน่ใจไล้อยังว่าจะจะปกติถึงวันสุดท้ายนอกจากอุบัติเหตุตายผู้พักจจุบันนี่ไงแต่ถ้าตายตามอายุไขเนี่ยอายุแปดสิบเก้าสิบร้อยก็ยังปกติถึงเวลาวันตายมันก็อ๋อใบบ่ายไปก่อนนะเรื่องนี้นะอย่างพระเซนเนี่ยเขาก็ตายแข่งกันว่าใครจะตายสวยกว่ากัน บางคนนั่งเทศแล้วก็ตายไปบางคนนั่งสมาธิแล้วก็ตายไปบางคนก็ยืนเดินจงกรมก็ตายไปเนี่ยสมัยก่อนถึงขนาดนั้นเลยนะแต่เดี๋ยวนี้เราไปตายที่ไหนท่ากรมารามฐานไปตายโรงพยาบาลสายเรืยๆอะไรอย่างเต็มเราเเราจะเป็นอย่งนั้นหรือเปล่าแล้วก็เราไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นโอ้ไม่ได้หลว ง, งพ่อเป็นอานิจังเลยอาอนิจังเราเดินไม่ควบคุมมันไม่ได้แหละตรงนี้แหละการปฏิบัติกรรมฐานมันท้าทายมากๆเลย เสร็จแล้วเราจะพัฒนาอย่างไรให้อินทรีย์ของเราเนี่ยเข้มแข็งอินทรีย์ห้าพละหา้าที่เป็นส่วนหนึ่งของโพที่ปรกิยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการบรรลุธรรมเนี่ยต้องมีอินทรีย์เข้มแข็งแต่ส่วนใหญ่อินทรีย์ห้าเราหมายถึงศรัทธาวิญญาสติสมธิปัญญาอันนี้อินทรีย์ในฝ่ายนามนะแต่อินทรีย์ในฝ่ายรูปต้องหมายถึงตัวตาหูจมูกลิ้นกายใจ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เป็นอี c ีไีใฝ่ายรูปเี่ยมียี่ธาตุสิอินซี้าสดอีซียี่สิบสอนะซีอนาภายนอกอีซีอิจอิจฉนาภายนอกอิจตนาภายในและทั้งที่เป็นตัวภาษาธาตรูปที่มาประกอบดว้วงเป็น22ให้มันเข้มแข็งคือ่ย่อคือกายเข้มแข็งนั่นเองร่างกายเข้มแข็ง เมื่อร่างกายเข้มแข็งตาก็จะสว่างได้นานหูก็จะไม่หนวกได้ง่ายจมูกก็จะไม่ตีไม่ตันไม่จะรับรส ก, กลิ่นได้ปกติได้นานลิ้นก็จะรับรส ด, ดีอยู่ได้นานไม่เสียรสกายก็ไม่พิกลพิการไม่หนวกไม่บอด ระบบประสาทระบบการรับรู้ระบบความทรงจํำอะไรต่างปกติได้นานอิซีเข้มแข็งนะไม่ใช่มันเสื่อมตั้งแต่อายุน้อยไม่ใช่แต่พอเราไปใช้มันผิดทีนี้เรามาดูว่าในการดูแลด้วยการออกกาลังกายเนี่ยอามาก็ดูประวัติว่าทําไมคนจีนก็ดีคนอินเดียก็ดีเผ่าพันธุ์เขาทำไมถึงขยายเรืเ่อยๆแล้วก็มีประสิทธิภาพ ก็เติบโตมาจากพุทธศาสนาเติบโตในอินเดียใช่ไหมพอเติบโตในอินเดียแล้วคนสมัยนั้นก็อุนสัตถ์ลืมตากว้างอย่าไปหลับตาพอหลับตาทีใดก็งอกรูทีลืมตากว้างอย่าได้จะได้ไม่ให้อินซีเครื่องแข่งถ้าอินทรีย์อ่อนใ้ตามันอ่อนลมม่าน จ, จะปิดตลอดนี่ก็เลยอินทรีย์ตามันอ่อนนะให้ตาเปิดกว้างเอาไว้เพราะนั้นในอินเดียก็มีเขาเรียก วิชาการของฤาษีดัดตุลใช่ไหมที่เราเห็นที่วัดโพวัดพะแก้วฤาษีดัดตุลคือผู้ฤาษีเนี่ยเขาทำกรรมฐานคนนานๆไปร่างกายมันไม่ไหวเขาก็มีการตั้งกายอากาศบีบคั้นไม่ว่าหนาวจัดร้อนจัดก็ทําให้ฤารียมันเข้มแข็งด้วยการดัดตุลฤาษีดัดตุลตก็มาดัดแปลงมาเป็นตระกูลต้นตระกูลของโยคะทั้ทุกตระกูลต่อมา ท่านโพธิธรรมทักม้อเนี่ยเป็นพระหัรลรูปหนึ่งจากอินเดียได้รับการราับคำสั่งจากอาจารย์ท่านปัญญาตาราเนี่ยเข้ามาเยผยแพร่ในประเทศจีนหลังจากพุทธศตรวตรรษที่6ในประเทศจี น, นรับรับพุทธศาสนา 1-600 หกรอกว่าปีแล้วเนี่ยก็ยังพุทธศาสนาแบบเถรวาทเหล่านี่แหลนะนะตามธรรมเนียมตามประเพณีผสมผสานกับไอประเพณีท้องถิ่น ก็ยังไม่ใช่เป็นเพียวบุดิซึมทีนี้ท่านพธิธรรมเข้าไปท่านพุธิธรรมก็ไปเผยแพร่รรแบบเคลื่อนไหวเหมือนกันใช้อาการของการเคลื่อนไหวมาเป็นแปลนิสเสีองท่านพุธิธรรมเลิ่มเริ่หนึ่งปรมาจารย์รักมอนะดูไข่ปัจจุบันนี้ก็ท่านหลวงตาวัดสณาท่านก็แปลออกมาแล้วท่านก็ไปให้ามาเอาต้นฉบับนี้ให้หลวงตาไปไปอิดิทไปเป็นไปตรวจสอบความถูกต้องจำนวนอะไรต่างๆแล้วก็ พี่ผมมาเผยแพร่ประมาณจะตักงมอว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยท่านเองเป็นคนทําพิธีการเคลื่อนไหวอากรมา ร, กรมฐานกรรมกรรมการการเคลื่อนไหวกรมรมฐานแบบเคลื่อนไหวเนี่ยเผยแพร่เป็นครั้งแรกท่านสังเกตเห็การวิ่งเต้นของกันรอกันแต่ลิงข้างบางเชนีเนี่ยทําไมมันมันแวไวไวมันเนี่ยท่านก็ไปสังเกตเอาอาการของสัตว์นั้ น, นมาประยุกต์ใช้นะแบบการเคลื่อนไหว ต่อมากรรมฐานนี้ก็มากำเนิดเกิดก่ออยู่ในพมา่าแบบเคลื่อนไหวต่อมาก็เปลี่ยนเป็นพองยุกอารมณ์กรรมฐ า, านของพองยุค ก, กัเคลื่อ น, นไหวเหลนี้จึงเป็นอารมณ์ใกล้เคียงกันเพราะอาจารย์สอนนําเสนอเนื้อาจารย์องค์เดียวกันคือท่านมหาสิส ย, ยดลต่อมาเขาก็วัดมหาธาตุส่งพระเจ้าคุณเทพบิสฤษีมุนีนหรือเจ้าคุณโชดกไปเรียนเรื่องนี้มาแต่มาสอนพระงเทพในสมัย2 4งสี ถึงสองสี่แปดสี่เนี่ระกุฎงคุณเ ท, ทพรับไม่ได้เพราะเขาทำกรรมฐานแบบพุโทโธมาก่อนพอมาทำแบบเคลื่อนไหวนี่รับไม่ได้แล้วก็เลยแจ้งไปยังต้นต่อต้นสังกัดว่ากรรมฐานแบบนี้ไม่เหมาะสรวลคุณเทพเนี่ยจะเอาวิธีอื่นได้ไ้ยใช้ลมนาปาเข้าไปช่วย ก็เลยเปลี่ยนมาเปลี่ยนเอาแล้วเมื่อเคลื่อนไหวมือคนไม่รักก็เคลื่อนไหวท้องก็แล้วกันหายใจเข้าให้ท้องมันพองก็บริกรรมไปพองหายใจออกท้องยุบริกรรมอายุแต่ปรากฏว่าทางฝ่ายทางลาวที่เคยมาอบรมกับหลวงพ่อเจ้คุณโชดกแบบเคลื่อนไหวช้าๆเนี่ยตอนที่เขาเรียกไปสัมมนาเปลี่ยนวิธีการที่ประมาเนี่ยไม่ได้ไปกับเขาพ่อมาแจ้งมาสอนนิยมเทพพ่อไม่ได้เรียกท่านมาเปลี่ยนวิธีท่านก็ยังใช้วิธี กรรมาฐานนี่ว่าติ่งนิ่งเนี่ยสมัยแรกแรกเขาใช้วการเคลื่นไหวมือใช้ค่าติ่งนิ่งติงนิ่งใช้ใ ช, ชแต่พอเคยแพร่เรื่องนี้ไปก็เจริญเติบโตโดยท่านด้านนั้นด้านโศุะหลวงน้องคายท่าบอเดอนั้นก็มีสํานักแบบติ่งนิ่งอยู่รอบๆนั้นตอนมาหลวงพ่อเทียนท่านก็เลยไปฝึกเอา หลังจากที่ท่านเกิดอุบัติเหตุด้านอารมณ์ขึ้นมาว่าทำบุญเยอะแยะมากมายเวลาใครมาพูดอะไรก็ยังโกรธยังเกลียดยังบ่นอยู่เดีย๋ยวว่าแต่ค น, นอื่นแม่ภรรยาของท่านเองพูดดีๆท่านก็ยังโกรธท่านก็เอ๊ะทำไมจะทำบุญมามากมายตั้งแต่กรรมาฐานก็ทำมาเรืหนอเงพุทโธก็ทำมาทำไมไม่จึงโกรธทําไมจึงออกจากโกรธไม่ได้ต้องการไสอบถามหาคำตอบคํานี้แหละไปสอบถามหาไปเจอถ้า จังหวะติ่งนิ่งนี่แหละก็ไปฝึกติงนิ่งกับหลวงพ่อวันทองในช่วงที่ปฏิบัติอยู่สามปี่านบอกว่าสังเกตว่าเอติงนิ่งเนี่ยช้าๆมันก็ไม่ต่างพุทโทรหรือหนอนะก็การบริกรรมเหมือนกันอ่ะแล้วแล้ ว, ลวทำช้าๆเพื่ออะไรให้จิตสงบสงบเพราะอะไรเพราะมีสติสัมยาเข้าไปในการดำเรียงการ สื่อของสติเนี่ยเพื่อเข้าไปสู่จิตเนี่ยดยการใช้การเคลื่อนไหวช้าเนี่ยสติเนี่ยมันไม่มีกําลังกําลังมันน้อยท่านเคยลองเคลื่อนไหวเร็วปกติอยู่แล้วมาทํา14จังหวะวัะนั้น14จังหวะของท่านก็ดัดแปลงมาจากกรรมาฐานติ่งนิ่งนั่นเองนะแต่ทําให้มันไวขึ้นแต่ก่อนทำช้าๆที่ทํามันไวขึ้นปกติก็ปรากฏว่ า, าท่านก็เข้าใจเรื่องนี้ได้ทะลุปูป่ปง ไปีหนึ่งผ่านไปท่านก็เลยมาทำเอามาสอนกับพี่น้องอและลูกหลานแม้แต่ภรรยางท่านก็เข้าใจจากท่านมาสอนก็เลยมาศึกษาดูว่าระหว่างหนอระหว่างติงนิ่งกับพุทธโธนับลมหายใจเนี่ยอันไหนจะได้ผลไวกว่ากันท่านก็มาทดสอบปรากฏว่าแต่และวิธีการนับลมหายเป็นเดือนผ่านไป คนที่ท่านนำมาทดสอบถึงจะจับหลักรูปนามได้แต่วิธีการเคลื่อนไหวเนี่ยท่านทดสอบแล้วแค่สามวันเข้าใจรูปนามอ๋อกำลังสติสัมยามันต่างกันมากเหมือนกับคนเดินกับคนวิ่งในหนึ่งรยะหนึ่งกิโลคนเดินปกติธรรมดาใช้เวลาเท่าไหร่สิบนาทีอย่างเงี้ยสมมตินะสิบนาทีสมมติยี่สบนาทีเพื่อเดินหนึ่งกิโลแต่อคนที่มันวิ่งเนี่ยใช้เวลาห้านาที นีสิบวินาทไปถึงก่อนครึ่งต่อครึ่งท่านก็ทดสอบกแล้วทำเวิร์กช็อปก่อนที่จะเผยแพร่มีการทำเวิร์กช็อปก่ทดสอบก่อนว่าวิธีไหนมันเวิร์กกว่ากันท่านก็เลยใช้วิธีนี้ในการยกมือเคลื่อนไหวเนี่ยแต่ว่าสาระมอยู่ตรงไหนสาระมันก็คือเกิดสติสมัธยะไปเห็นรูปกับนามนี่มันแยกกันคนละส่วนมันอยู่ด้วยกันก็จริงเมื่อก่อนเวลาเราเจ็บ ปวดร่ า, างกายก็ไปเก็บที่กายที่จิตด้วยเวลาไม่สบายใจมันก็มีผลต่อร่างกายด้วยเพราะว่าไม่สามารถจะแยกให้เห็นว่าความรู้สึกที่เกิดกับรูปเนี่ยมันไปมีผลต่อนามได้อย่างไรความรู้สึกที่เกิดกับนามคือใจเนี่ยมันมีผลต่อรูปริ้งแยกไม่ออกเพราะมันเป็นอันเดียวกันแต่พอมาเจริญสติแบบนี้แล้วสร้างสติสั้ำย้ำมาเข้ามาเข้าเวลาอะไรมากระทบรูป ให้รู้เท่าที่มันกระทบลูกโดยที่ความรู้สึกเจ็บรู้สึกหนักที่กระทบลูกเนี่ยไม่เข้าไปกระทบจิตคือหมายความว่าจิตไม่เข้าไปยึดเวลามันเย็นที่ลูกจะทำไงเมื่อให้รู้สึกกลัวว่าที่หนาวด้วยจิตก็เฉยเฉยหนาวก็เสด็จเถอะวหนาวใช่ร้อนก็เสด็วเถอะวร้อนโดยที่ไม่เป็นสําคัญว่านอนหนาวร้อนนั้นเป็นเรานึกเป็นกลัวหนาวกลัวร้อนก็ดูไม่เฉยเฉยได้เออเริ่มแยกครานี้ดิัลักษณะก็เลยแยกลูกแยกหนาว หมายเขาว่าอะไรมากระทบอยู่ที่กายก็ให้มันอยู่ที่กายอย่าเข้าไปบีบคั้นที่จิตอะไรมากระทบก็ที่จิตก็อย่าให้มันบีบคั้นที่กายเนีย่ยอันนี้คือทดสอบเบื้องต้นของอารมณ์รูปนามเสิ็จแล้วเวลาเราสามารถสัมผัสได้อย่างเงี้ยอะไรมากระทบแต่มันก็ไม่ได้กันได้ทั้งหมดแต่ขอให้รู้ว่าเออมันมันรู้ว่าเออกระทบแล้วไม่ได้ความว่ามันจะต้องไปบีบคั้นจิตทุกครัง้ง ในเบื้องต้นเนี่ยเราจึงเอาเวทนาทางกายเนี่ยเป็นหลักไว้ก่อนเพราะเรามันเห็นชัดแล้วก็ทนได้เมื่ออีสีทางกายเนี่ยมันแยกจากอีสีจิต ด, ด้วยอาศัยกำลังของสติสัมปชัญญะที่เราสร้างขึ้นจากการเคลื่อนไหวเราจึงสั่งสมดอกย้ำตัวการเคลื่อนไหวบ่อยๆเพื่ออะไรเพื่อให้กำลัง มันมีอย่างนักมวยเนี่ยทุกคนสามารถเป็นได้ใช่ไหมด้วยการทําไงซ้อมบ่อยๆใช่ไหมซ้อมจักหวาตามวิชาก็แเนีซ้อมบ่อยๆก็เป็นนักมวยได้เหมือนกันไอตัวที่เรารู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นความรู้สึกตัวธรรมดาแต่พอเราซ้อมความรู้สึกตัวนี้บ่อยๆเราก็สามารถเพิ่มความรู้สึกตัวที่ธรรมดาให้มีกําลังขึ้นมาได้ น้ำมวยที่มันกำลังธรรมดาที่คนมีพอไปซ้อมไปก็กำลังมันก็เข้มแข็งกันเนื้อเข้มแข็งสภาพเลือดลมอะไรต่างๆมันมีพลังขึ้นมันก็ให้ร่างกายเข้มแข็งเหมือ น, นนักากายกรรมนักยิมนักสติกนะักกีฬาทั้งหลายเนี่ยเขาเล่นได้ไวได้แรงก็เพราะมีการซ้อมอยู่เป็นประจําจะทําให้กําลังของสต mm hmm. ิก็จะต้องทําตัวเนี้ยทาตัวการฝึกตัวรู้เนี่ยเข้าไปเพราะตัวรู้ กับตัวจิตตัวจิตกับตัวรู้เนี่ยมันเป็นสภาพที่เป็นนามเหมือนกันในส่วนตัวรูปเนี่ยมันอาศัยนามที่เป็นธรรมชาติเขาเรียกว่าวิญ ญ, ญาณกายยะวิญญาณลาพังตัวรู้ที่กายรับรู้ที่เป็นกายยะวิญญาณเนี่ยมันไม่พอที่จะไปรู้สภาวะที่มากระทบที่มันรวดเร็วแล้วก็จิตวิญญาณเข้าไปจับทันที กำลังไม่พอที่จะนิ่งพระจับปั๊บมันก็กระเทือนทันทีเพราะฉนั้นเราจะเปลี่ยนวิญญาณเนี่ยให้มันเป็นญาณล้วนๆได้ไงเพราะคําว่าวิญญาณมันปนคําว่ารูปเข้าไปอยู่เช่นคำว่าจักหูวิญญาณก็หมายความว่าเราเห็นภาพปับ๊บเราก็จินตนาเป็นรูปออกมาจักโสตวิญญาณพอได้ยินเสียงรูปปับ๊บล้วก็นึกถึงรูปที่เราได้ยินเนี่ยเข้ามาเป็นสร้างรูปทันทีเลยเรียกว่าเป็น โสตวิญ ญ, ญาณฐานะวิญญาณชีวหางวิญญาณกายวิญญาณและมนโนวิญญาณมันก็ยังมีรูปปนอยู่ขเขาเรียกว่านามารูปแต่เวลาในการฝึกปฏิบัติเนี่ยต้องการให้มันเหลือความรู้สึกล้วนโดยที่ไม่มีรูปอยู่เลยเนี่ยเช่นวเวลานั่งเนี่ยเรารู้สึกหนักความรู้สึกหนักเนี่ยถ้าเรารู้มันเฉยเฉยมันก็จะเป็นเพียงแต่รูปนามอ่าตอนนี้เริ่มเข้าใจนะ ถ้าความรู้สึกตัวที่อยู่ในรูปเรียกว่ารูปนามแต่ถ้าเมื่อใดรู้สึกเออนั่งนานรู้สึกงุ่ยหิตลำคาหรืนอัดนี้นะความรู้สึกอัดลำคาญนั้นเป็นนามะรูปนี่ไอ้ตัวรูปตัวที่กายมันเข้าไปร่วมในนามกลายเป็นนามะรูปเพราะฉะนั้นตัวนามะรูปตัวนั้นมันก็เลยเป็นทําให้เกิดเรียกว่ามโนวิญญาณกายวิญญาณด้วยแล้วกายวิญญาณน่ะมโนวิญญาณด้วยไปเกิดได้เป็นนามะรูป อันนี้ขอโทษนี่ต้องใช้ภาษาเทคนิคเขานะเดี๋ยวถ้าไม่ใช้ภาษาก็มายืนยันเลยฮะว่าม่วอย่างโนสมัยนี้มันชอบม่วนแต่เรื่องนัามธรรมนี่ยิงม่วง่ายใช่ไหมมันสัมผัสมันพิสูจน์ไม่ได้ถ้าไปรูประธรรมก็อาจจะตกตาก็ไม่ได้แต่นามธรรมเนี่ยถ้าเราไม่ดวงตาได้ไม่ได้ดวงตาทําขึ้นมาเราก็พระจะพูดเป็ไงเราก็ต้องเชื่อเพราเราไม่มีเราเห็นท่านจะม่วเป็นไงเราก็ต้องต้องตามเราเราไม่เข้าใจเราไม่เห็นด้ ไม่เห็นตัวสภาวะนั้นดังนั้นในปัจจุบันนี้ยเราจําเป็นต้องพูดความจริงให้กันฟังละเพราะมันเป็นยุคสมัยนี้ทุกอย่างเป็นเรื่องพิสูจน์แม้แต่นามธรรมาก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันไปยังไงมาอย่างไรถึงแม้ว่าจะไม่เป็นรูปธรรมให้เห็นชัดเหมือนนักวิทยาศาสตร์เขาพิสูจน์กันแต่ก็สามารถที่จะสื่อความหมายที่เข้าใจได้แต่พูดถึงว่ากําลังของสติสมปัญะ ทุกคนมีใช่ไหมทุกคนมีถามว่าเวลามีกับคนมากระทบให้กโกรธเนี่ยทําไมถึงยึงโกรธทั้งๆเรื่องมีสติสัมปชัญญะอยู่เพราะกําลังของสติสัมปชัญญะนั้นพอไหมไม่พอที่จะหยุดยั้ยงได้แค่การกระทบทางแค่หูห น, นะมันท้อหลุดเข้าไปสู่ใจเข้าไปสู่จิตไอ้ัวไอ้เสียงที่มากระแทกหูที่มันไม่น่าพอยใจเนี่ย แทนที่จระทบก็จบเหมือนกับเสียงนกเนี่ยเราได้ยินเสียงนกเราเคยโกรธมันไหมก็ไม่ได้โกรธถึงแม้มันจะด่าเราใช่ไหมเพราเราไม่รู้ภาษาของมันอเนี่ยมันก็ไม่รู้สึกโกรธให้ฟังเฉยเฉยอย่ะแต่เวลาใครมาพูดเนี่ยเรารู้เรื่องใช่ไหมมันหุษเข้าไม่ใจใจมึงว่ากูมันก็กลายเป็นความรู้สึกไม่พอใจไปนามารูปใช่ไตัวนั้นก็เป็นสมุผลให้เกิดทุกข์แลแต่สติสัมยาจมีอยู่ทําไมจึงกันไม่ได้ ไม่เหมือนกันมันเปนเสียงนกอะ่ะเพราะตัวโสตรวิญญาณของเรากำลังสติไปไม่ทันมันถึงไปแปลงแปลงจากรูปกลายมาเป็นนามมันยึงเกิดอเมจอิเมจนภาพในใจขึ้นมะาเป็นภาพในใจเเรียกว่านามบรรูปเพราะนั้น ย, ยานแรกที่สุดในยานสิ16ของสายหนอนะ เขเริ่มต้นด้วยละไรนา ม, มารูปปฏิเสธ ย, ยานใช่ไหมนี่นา ม, มารูกปฏิเสธ ย, ยานก็จึงมาเป็นยานแรกของวิปสัสนาที่จะต้องแยกให้ออกแต่ว่าในแง่ของสมถะให้แยกลูกจากนามแต่ว่าในแง่ขอวิปสัสนาต้องไปแยกนามจากรูกเออสับสนไหมมันยังไงการแยกรูป ก, กับนามอย่างนับลแยกรูป ก, กับนามแล้วก็เออเรานั่นเนี้ยมันหนาวจะแยกกันหนาวออกจากกาย ไม่ให้ความหนาวไปบีบคั้นจิตได้ไงแต่แยกความหนาวออกจากกายนี้ไม่ได้เพราะเพราะกายร่างกายสังขารเนี่ยมันเป็นรูปโดยธรรมชาติใช่ไหมแต่ว่าตัว ร, รู้สึกไม่ชอบความหนาวเนี่ยมันเพิ่งเป็นนามรูปเพิ่งเกิดเราไปแยกตัวความกลัวที่ออกมาจากความรู้สึกอันนั้นนี่เขาเรียกแยกรูปนามนะรูปนามแยกนามรูป แยกรูปแยกน้ำนี่มันเป็นภาษานัแต่คงจีบแยกไม่ได้หรอ ก, ยกแยกความหนาวความร้อนออกจากก่ายเนี่ยไม่ได้แยกได้ก็ต้องมุดเบื่อวิธีรู้จักการบำบัดใช่ไหมเช่นนั่งตรงนี้หนาวเราเข้าไปในห้องที่มีฮีตมันก็ไม่หนาวแล้วนั่งตรงนี้ร้อนเข้าไปห้องที่มีแอร์อันนี้คือวิธีการแยกรูปน้ำก็คือใช้วิธีการบำบัดเท่านั้นเช่นนั่ง น, นานๆมันหนักใช่ไหมบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวเพราะนั้นการเคลื่อนไหวคือการบำบัด รูปนามแต่การมีสติสมญยะเข้าไปตามรู้สิ่งที่มากระทบจิตเพื่อให้ไม่ให้มันคิดปุงแแต่งกับสิ่งที่ปรากฏเรียกว่าแยกนามรูปเรียกว่านามรูปปฏิเสธญาณเข้าใจได้ไหมอตอนแรกแรกเรายังไม่เข้าใจเราต้องทนเอาไม่ใช่คําว่าขันติเลยนะทนไว้ก่อนแต่พอเข้าใจเราเริ่มเกิดปัญญาแล้วก็เราก็เราก็เริ่มเห็นสภาวะอ๋อที่ไม่พอยใจเพราะตัวนี้เอง เราไปเห็น อ, อ๋อมันฟังแล้วมันคิดตามเนี่ยคิดตามในสิ่งที่มันดีเราคิดตามในทางที่ดีในสิ่งที่ไม่ดีเราคิดตามในทางที่ไม่ดีในสิ่งดีไม่ดีและสิ่งที่เป็นจริงอย่างลักษณะที่หลวงพ่อ ก, กำลังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจริงการที่เราความจริงเนี่ยเราไม่สามารถจะสร้างมนุภาพขึ้นมาเป็นภาพได้ไหมคำว่า อ, อ, อดทนเนี่ย ภาพเป็นยังไงหนูนึกภาพบอกมานั่นเองอันนั้นคือมันเป็นจริงเขาเรียกว่าตัวนั้นเป็นนามล้วนๆเป็นนามล้วนๆม่มันมี ม, มีภาพแต่นึกก็ว่านกเนี่ยมันเป็นแล้วก็เราก็สร้างรูปนกขึ้นมาในใจใช่ไหมแต่คําว่าปัญญาเนี่ยรูปมันเป็นยังไงเราค่อสร้างแต่อุกมาอย่างโน้อย่างนี้แต่มันไม่ใช่ใช่ไหมแต่เรานึกภาพมันไม่ออกตรงนั้นเขาเรียกเป็นนามล้วน นะเพราะฉะนั้นทําที่เป็นฝ่ายที่ไม่สามารถสร้างเป็นความรู้สึกออกมาเป็นภาพต่างๆแต่ความรู้สึ ก, กโกรธเนี่ยความรู้สึกไม่พอใจเนี่ยรูปมันเป็นอย่างไงนะภาพออกมาความรู้สึ ก, กโกรธเป็นรูปนามหรือนามรูปอ่าตรงเนี้ตรงเนี้ยสําคัญถ้าสมมุติว่าเป็นนามรูปหมายความว่าเราสร้างภาพขึ้นมาในใจได้เยอะอย่างรูปนกอย่างรูปเนี่ยแต่รูปของความกโกรธเนี่ย บอกว่ามันเป็นนามรูปแต่ทำไมเราสร้างภาพมันไม่ได้เออเพราะนั้นอยไปคิดอันไหนที่ว่ามันเป็นนามรูปมันจะเป็นภาพปรากฏในใจเสมอไปไม่ใช่นะแต่เป็นความรู้สึกที่ไม่ชอบแต่ความรู้สึกพอยใจเนี่ยเป็นรูปอย่างไรความรู้สึกพอใจที่อาศัยรูปข้างนอ ก, านอกาตาวงอโจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็รู้สึกพอใจในรสอาหารแล้วก็นึกถึงภาพ อ, อาหารใช่ไหม แล้วก็รู้สึกอชอบเรารู้สึกชอบดอกไม้เรากนึกภาพดอกไม้นะั้นแต่บางครั้งมันเรารู้สึกพอใจโดยที่ไม่มีภาพอะไรเลยเนี่ยมีใช่ไหมตรงนี้เป็นรูปเป็นนามรูปแล้วเป็นนามล้วนเป็นยังเป็นนามรูปเยะ่เพราะมันอาศัยที่เกิดที่เวหานะมีความรู้สึกของรู้สึกที่มันเป็นอย่างความรู้สึกร้อนอ่างเงี้ยน้ำมันร้อนหรือเปล่า ก็ไม่ได้ร้อนแต่ความรู้สึกมันร้อนเหมือนน้ําอุบมาเหมือนน้าแต่ความรู้สึกร้อนที่อยู่ในใจเนี่ยมันได้ไม่ได้ออกมาเป็นภาพนะแต่ออกมาเป็นความรู้สึกความรู้สึกนั้นเนื่องด้วยวัตถุเช่นเย็นเนี่ยเนื่องด้วยวัตถุ ค, คือน้ํามันทําให้เย็นมันจึงเป็นน้ำมารูปอันหนึ่งเพราะความรู้สึกนั้นอาศัยรูปเกิดแต่มาปรากฏที่เวทนาของเรามันก็ ย, ยังเป็นนามารูปอยู่คนใหม่ เข้าใจไม่เข้าใ จ, าใจก็ต้องฟังมาก่อนก็แล้วกันแต่อันนี้เป็นเรื่องศัจธรรมพูดแล้วคนจะมีพื้นไ ม, ม่พื้นเข้าใจได้ใช่ไหมเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เมื่อเข้าใจได้อย่างนี้เราก็จะง่ายขึ้นในการที่เกี่ยวข้องสิ่งที่มากระทบเพราะมีการกระทบตลอดเวลาตากระทบรูปเสียงกระทบหูจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสเย็นร้อนอ่อนแขน็งเกิดเข็งตึงกระทบกายแล้วก็ อารมณ์ภาวะนามรูปมากระทบจิตมีอยู่แทบตลอดเวลาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดังนั้นตัวที่จะไปตามรู้การกระทบเพื่อหเห็นส่วนใครส่วนมันโดยที่ม่ไม่ปนกันจึงเป็นเรื่องยากมากสำหรับคนธรรมดาที่ไม่ได้ฝึกฝนก็จะทำไม่ได้เลยเขาจะใช้ความรู้ชั้นเดียวสติสมบยรในชั้นสัญชาติญาณแต่ผู้มาปฏิบัติเนี่ยเราต้องการพัฒนาระดับสติ สมัญะระดับสัญชาติญาณเนี่ยให้เป็นปัญญาญาณให้เป็นปัญญาญาณคือหมายความว่าสามารถแยกส่วนรูปเป็นอย่างนี้นามเป็นอย่างนี้นามมารูปรูปในกายเป็นนี้รูปในใจเป็นนี้รูปในกายปรากฏกระทบกายและรู้สึกรูปในใจคือกระทบจิตและรู้สึกและเห็นภาพด้วยเพราะฉะนั้นรูปที่ปรากฏในจิตเนี่ยมันมีสองลักษณะลักษณะที่เป็นเพียงความรู้สึกเรียกวเวทนา ระดับที่ออกเป็นภาพเรียกว่าจิตมันจะมีสองภาพดโดยอาศัยรูปเนี่ยที่มันจะสิงเข้าถึงจิตได้โดยอาศัยผ่านเวทนาเพราะฉะนั้นเวทนาคือความรู้สึกเย็ยนร้อนอ่อนแข็งก็ดีเวทนาทางกายทั้งหมดอ่ะมันก็จะผ่านตัวตัวกายก็มาไปสู่ตัวเวทนาเวทนาตรงนี้ก็จะแปลงเป็นอาการอาการของจิต มันก็จะมีส่วนบีบคั้นต่อจิตเวลาเรารู้สึกรู้สึกกายนะทางกายที่รู้สึกสบายแล้วก็ไปพอใจในความสบายอ น, นั้นสุขใจนะความรู้สึกที่เป็นจิตแล้สุขใจในภาคปฏิบัติถ้าเรารู้เรื่องเหล่านี้เราก็จะเห็นความรู้สึกต่างๆเป็นกลางมันไม่ใช่เรานะไม่ว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งเข้งตึง มันมันเป็นกลางกลงแต่ถ้าหากว่าความรู้สึกที่มากระทบทางตาหูจมูลิ้วกายใจถ้ามันแรงเกินไปเนี่ยเราก็จะต้องป้องกันและบำบัดเช่นหนาวเกินไปวิธีป้องกันเปไ็นก็ต้องห่มผ้าเย็นหน่ยใช่ไหมอย่างเงี้ยก็อ่นขึ้นมาระดับนึงพอร่างกายแต่ถ้าสําหรับคนที่อ่อนแอก็จะรู้สึกเย็นนิดหน่อยก็รู้สึกเย็นมากอันนี้ร่างกายที่กระเลือดอิสีอ่อน on, ที่พูดมาเบื้องต้นนะ แต่คนไหนที่อิซ mm ีเข้มแข็งก็จะไม่บีบคั้นมากเกินไปดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จาเป็นที่จะต้องพัฒนาทั้งรูปและทั้งนามเนี่ยให้มีความเข้มแข็งการออกกำลังกายจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พัฒนาเราจะบอกเออร่างกายนี้เป็นอิสรงทุกขังหน้าตาพัฒนาเท่าไหร่เมื่อแค่นั้นแต่ว่าในการ ประยุกต์ใช้ประโยชน์เนี่ยเราก็จําเป็นจะต้องอพัฒนาให้มันมันรู้ว่ามันไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราก็ยังมีคําว่ายั่งยืนขึ้นมาใช้อะใช่ไหมบอกว่าอันนี้จังก็ทําให้มันเที่ยงๆหน่อยถ้ามันไม่เที่ยงไปไงมันจะล้มใช่ไหมตั้งเก้าตั้งให้มันเที่ยงๆหน่อยตั้งเทียเท่ยงก็บอกทูกอย่างไม่เที่ยงเราทำไมบอกไปถามมาความเที่ยงเลยเนี่ยในระดับสมมุติมันใช้ได้ยืนให้ตรงๆหน่อยมันตรงเที่ยงไม่มี แต่ทําไมเมื่อบอกให้เรยตรงตรงวางให้ตรงๆรหน่อยบางอย่างถ้าฐานมันดีก็วางตรงได้ตรงเนี้ยฐานมันแคบถามว่าวางตรงนี้อย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฐานมันไม่เที่ยงที่จะทํายังไงฐานนั้นมันเที่ยงเพิ่งขยายฐานให้กว้างตรงนี้พ อ, อยานถ่ายฐานให้กว้างปั๊บมันก็เที่ยงแล้วจิตของเราเหมือนกันถ้าจิตของเราตั้งอยู่บนฐานที่คับแคบจิตของเรามันก็จะตกไปสู่อารมณ์ อดีตบ้างอนาคตบ้างเราจึงมาขยายฐานของจิตให้กว้างเรียกว่าฐานสติสติปฐานฐานความรู้สึกเนี่ยให้กว้างเขาไว้ถ้าความรู้สึกมันคับแคบปั๊บมันก็จะวิ่งไปสู่ความคิดตกไปสู่ความคิดนั่นคือการปรุงแต่งดังนั้นการขยายฐานของความรู้ให้กว้างเขาเรียกว่าการขยายของตัวยานปัญญา สติจึงเป็นฐานที่ดีที่สุดเรียกว่าสติปฐานเพราะว่ามันเป็นสภาพแรกรับเบื้องต้นส่วนเมื่อตั้งสติได้แล้วเนี่ยมันจะกายพัฒนาต่อไปมันก็จะกําลังของสติฐานกว้างขึ้นกว้างระดับแรกเรียกว่าสติเปลี่ยนเป็นสัมปชัญญะฐานสติกว้างระดับที่สองสติเปลี่ยนเป็นสมาธิสติเปลี่ยนเป็นปัญญา สติเปลี่ยนเป็นญาณสติเปลี่ยนเป็นวิชาสติเปลี่ยนเป็นวิปัสนาญาณไปตามลาดับฐานขั้นเสด็จกว้างขึ้นเรื่อยๆยิ่งฐานกว้างเท่าไหร่ก็ยิ่งรับอารมณ์ได้ได้มากโดยที่ไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นหลุดเข้าไปสู่จิตจิตก็ไม่ต้องไปรับการปูนแต่งต่างของรูปที่มากระทบเพราะมีฐานของตัวสติหนาแน่นในการสร้าง บ้านน่ะถ้าหา ก, กเราจะติดแอร์ก็เนี่ยถ้าเราไม่ทำกาอินซูเลชันกันหลายๆชั้นนะนะไอความร้อนข้างนอกกเข้าไปข้างในได้ไอความเย็นข้างในก็ไหลออกไปข้างนอกได้พอมีอินซูลเลชันก็ป้องกันน้ำหนาเพราะนั้น เ, นเรจะแหงน ก, การสร้างบ้านของคนยุโรปอเมริกาไม่เหมือนว่าเราบ้าเราแค่ฝาชั้นเดียวของเขาชั้นฝาขนาด น, นี้เลยนะถึงว่ากั้นสข้างตรงกลางมันเป็นอินซูลเลชันสามารถเก็บความร้อนเก็บความหนาว เดีย๋ยวว่าแถวบ้านแม้แต่กติกน้ำร้อนเนี่ยใช่ไหมก็ยังมีเครื่องโฟมหรือสูญยากาศกันเหมือนเดียวกันจิตของเราเหมือนกันก็จะต้องมีตัวฉนวนเรียกว่าตัวฉนวนกั้นกลางเพราะฉะนั้นตัวสติสมญาจะเกิดการเป็นตัวกั้นกลางความพอใจไม่พอใจก็ให้มัอยู่ในชั้นนี้ไม่ให้มันดูดเข้ามาข้างในแต่าใจไหอ้ความพอใจไม่ข้างไหนก็ไม่อยู่ข้างนี้ไม่ให้มันดูดข้าข้างนอกตัวนี้เป็นตัวกัน้น ก็จะเรียกว่าฐานก็ได้นะแล้วสติปฐานอ น, นั้นการที่มาปฏิบัติโดยที่ใช้วิธีการเจริญสติแบบเนี้คือการเพิ่มเพิ่มกําลังเพิ่มความหนานแน่นของตัวรู้สึกนั่นเองเมื mm ่อ hmm. ตัวนั้น่นรู้สึกแล้วแลเพิ่มความรู้สึกให้หนานแน่นให้เข้มแข็งแล้วอะไรมากระทบมันก็มีความต้านทานสูงนะ <c oughs> เวลาความพอใจกระทบเข้ามา ก็รู้สึกพอใจนิดน้อยหรือไม่รู้สึกว่าไปไปเสียความพอใจเลยหรือสิ่งที่จะทําให้เกิดความไม่พอใจกระทบเข้ามาก็รู้สึกไม่พอใจนิดหน่อยแทนที่จะอแรงใช่ไหมอันนี้ก็แต่พอมันหนาแ น, น่นมากเข้ามากเข้ า, า, ขากระทบ ก, ก็เฉยเฉยความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็ไม่เข้าไปบีบคั้นลักษณะอย่างนี้เรียกว่ากําลังของสติสัมยาของเราเริ่มเปลี่ยนจากสัญชาญาณเป็นอะไร ปัญญาญาณได้นะเป็นนิพพสนญาณได้แล้วเพระ า, าะฉะ น, นั้นการที่เราต้องนั่งตอบย้ำกำลังของสติเราก็จึงไม่สงสัยว่าทำไมต้องทำทั้งวันพราเราใช้มันทั้งวันใช่ไหมเมื่ออะไรกระทบ ป, ปับ๊บยังคิดอยู่แสดงว่ากำลังของสติพอหรือยังไม่พอเราก็ต้องมาทำเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพราะฉะนั้นเราจะไม่สงสัยว่าทำไมต้องนั่งทำทั้งวันตรถรมฐาน มันจะเกิดสึ้นเองตามธรรมชาติหนูเคยตำน้ำพริกไหมตำทําไมบ่อยๆตำพวกเดียวได้ไหมพวกส่งพวกอะไรตำเลยซ้ํำอยู่เงั้ยนะเพื่ออะไรให้มันละเอียดขึ้นยิ่งละเอียดขึ้นมันก็จะทําให้เกิดการอะไรกลมกลืนเข้ากับในส่วนอื่นๆได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ละเอียดมันก็เป็นชิ้นใครที่มันกิงข่างถ้าไครมาตำมาเราชิ้นใครที่มันมันก็เข้ากันได้เหมือนกันในที่เราตอกย้ําตัวความรู้สึกนี่มันมีความ อ่รู้สึกต่างๆการกระทบะต่างๆเข้ามาไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเข้าไปตอกย้ําเปลี่ยนถึงแม้ว่าสถาบันแรกเราจะแยกออกจากความคิดที่มันจะทำอยู่เนี่ยคือคือเราจะไปแยกเองใช้ความคิดแยกไม่ได้ <c oughs> แต่เราใช้ความรู้สึกตัวเนี้ยพอความรู้สึกมากเข้าบอกความรู้สึกมันจะไปทํหน้าที่แยกของมันเองโดยเป็นหน้าที่ของธรรมเหมือนกันแกงที่เราแกงเนี่ยเรามีไม่หน้าที่จะไป ไปทําให้ลถไอ้ออขิงของอางาตะไคร้เครื่องปรุงทั้งหลายมันออกรถงโน่นนี้นะเรามีหน้าที่เอามา ต, ามตามําตาถ้าตำผลกันได้ส่วนแล้วรถต่างๆมันจะออกของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างแต่เรามีหน้าที่โคลนนั้นแหละอันนี้เวลาเราไม่ีหน้าที่ที่จะปรับความเคลื่อนไหวให้เป็นระดับไปเรื่อยๆจับย้อมจังหวะไปเลื่อยๆไอ้ตัวรู้ที่เกิดแต่ละขณะขณะเนี่ยตัวนี้เขาจะไปสร้าง ธรรมชาติทุกการเป็นญาณเป็นปัญญาเป็นสัมปชัญญะเป็นสมาธิอะไรของเขาอยู่ที่เรื่ไม่ต้องไปตามขบวนการเพราะนั้นเป็นขบวนการตามธรรมชาติแมก้กระทั่งเ ร, ต axis, ตรตาปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็มีหน้าที่รดน้าําใส่ปุ๋ยคนดินใช่ไหมส่วนเขาจะไปแตกงอกออกกิง่งเป็นใบเป็นกิง่งเป็นก้านเป็นเรื่องของเขาล่ะไม่ใช่เื่อของเราจะไปต่อเติมไปอะไรได้นะ น, นี้คือหน้าที่ของธรรมชาติเขาเรียกว่าธรรมะคือธรรมชาตินตั่นเอง แต่เราจะทำไงที่จะนั่งนั่งทำารื่งนี้ได้ไม่เบื่อหนา่ายยังไม่งุดหงิดไม่อึดอัดไม่ฟุ้งซ่านตรงนี้แหละคือความจำเป็นของการชี้แนะเพราะคนที่เคยปฏิบัติมาก่อนเ็าจะรู้วิธีแก้ไขใช่ไหมพอคนใหม่เข้ามาก็จะใช้วิธีเดียวกันเออเวลาคุณทำไปนานๆสักพักนึงคุณจะรู้สึกสบายแล้วก็สักพักเป็นยังง่วงนะนะแล้วก็มาดูความง่วงมันเกิดขึ้นได้อย่างไง ก็เพราะจิตของเราเนี่ยมันเคยตอบสนองสิ่งที่มากระทบพักแวกไปตลอดเวลาใช่ไหมแต่พอเรามาทําำวิปเราไม่ตอบสนองต่อสิ่งที่กระทบพอเราต้องการที่แยกไอ้ตัวสิ่งกระทบกับตัวรู้ที่ออกจากกันถ้าสิ่งที่มากระทบกับตัวรู้แยกออกกันปับ๊บมันก็ตัวรูปนามก็เปลี่ยนเป็นนา ม, มารูปเรื่อยไปเป็นสมูทัยของทุกข์ใช่ไหมแต่ที่เราจะพอมากระทบรูปนามไม่ให้เปลี่ยนเป็นนา ม, มารูป ให้มันเปลี่ยนตัวยานหรือเปลี่ยนเป็นตัวนามเฉยๆไม่ให้เป็นรูปเราก็จะต้องต้องเปลี่ยนทําหน้าที่เปลี่ยนตลอดเวลาแต่ถ้าหากบางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจต่อการเปลี่ยนเท่าไหร่ตัวความนั่งเวลานามมันง่วงทีเนี้ยพราะตัวกระทบกลมาเป็นตัวความหนักความสบายาความผ่อนสบาย mm hmm. หายใจลึมสั้นลมหายใจลึมแถว พอลงหายใจแผ่วปั๊บออกซิเจนเป็นไงในสมองขาดขาดออกซิเจนพอสมองขาดออกซิเจนปับ๊บเหงาง่วงก็จะเกิดขึ้นมันเป็นเหตุปัจจัยที่ให้เกิดกันราการแล้วทีนี้เพราะฉนั้นภาวะที่เราง่วงบ่อยเพราะเป็นภาวะที่สมองขาดออกซิเจนใช่ไหมเราก็ต้องทำไงทีนี้รู้สึกด้วยการหายใจลึกๆเอาไอออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงสมองก็ดึงตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ทําให้เราได้แก้ไขปัญหาเพื่อเรอบำบัดแก้ไขบำบัดแก้ไขไป ซึ่งมันเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ดเลยเวลาเราทําเราก็ไม่ใช่ทาไปแบบไม่รู้ไม่ชี้ทำไปแล้วทำรู้ว่าเออทําแต่เราก็ไม่ได้คิดหรอกนะตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้ว่าการเพลื่อนย้ายมันรู้โดยที่มีอะไรมาลบกวนมันหรือเปล่าความพอใจไม่พอใจความอึดอัดความว่วงความคิดความเบือ่อความขี้เกียจเข้ามาลบกวนไหมถ้ามันเข้ามารบกวนเราก็ต้อง ไล่มันออกไปเพราะเรายังเป็นคนใหม่อยู่ไอ้การที่จะป้องกันไอ้สิ่งนี้ผลกระทบร่างกายได้ร้อเปอร์เซ็นเป็นไ ป, นปนไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องหนุนรอดเข้ามาแต่หน้าที่ของวัของเราอ่าสติรู้ใหม่บำบัดในสิ่งที่เผื่อภัยเข้ามาแล้วเป็นนํารูปออกไปก็ตั้งสติรู้ใหม่อย่างนี้เรื่อยไปพอมันเกิดทักษะเกิดความชํานิชานานมากเข้ามากเข้าเราก็จะทำํำคิดของเราก็จะนิ่งทําได้นานไม่แปรปลีนไปกับสิ่งที่กระทบ พอจิตเราเริ่มรู้ทันสิ่งที่มากระทบเแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวยานเปลี่ยนเป็นตัวรู้เปลี่ยนตัวคิดเป็นตัวรู้เปลี่ยนตัวกระทบเป็นตัวรู้ไปเรื่อยๆหน้าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนเราไม่มีตัวนี้เป็นตัวคอยปรับเปลี่ยนเนี่ยสิ่งที่มากระทบมันก็กลายเป็นสัญชาตญาณหมดตัวรู้โดยลูกนําเปลี่ยนเป็นสัญญาณตัวรู้ตามสัญชาตญาณเพราะการเปลี่ยนเป็นสัญชาตญาณมันไม่มีระบบไม่มีระเบียบ ม, ม, ม, ม, มันมันมันพาเมื่อมีระบบเรื่องเบี่ยงความคิดมันก็เลยเอาไปใช้หมดออกมาเป็นความคิดเพราะทุกคนทั่วไปยังไม่รู้ไอ้ความคิดมันมาได้อย่างคิดได้คิดดีเพราะการกระทบเพราะเราไม่ตจำรู้ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นความคิดถ้าเปลี่ยนได้ไมหมดมันก็ไปเก็บไว้ข้างใต้ต่อเขาเรียกว่าอะไรจิตใต้สํานึกหรือ subconscious ถ้าเปลี่ยนเป็น conscious m ไ, ไม่ทันก็จะเป็น subconscious พอสอบคนเชียรเวลาเราเผลอก็คิดเลื่อยเผลอเวลาที่นี่เพลินไม่รู้มาอย่างไหนโดยมันก็สั่งสมมาจากการกระทบนี่เองเพราะผลกระทบตั้งหกทางใช่ไหมตากระทบรูปกระทบจายเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจ ม, มกูกสัมผัสรดกระทบลิ้นสัมผัสกระลบกายอารมณ์กระทบจิตถ้าเราไม่มีสนิทตามหูก็จะเปลี่ยนมาเป็นตักคิดหมดเลยทําไมคิดได้คิดดีคิดจะเป็นบ้าเป็นพอ เ, เป็นป่วงไปก็ไม่ เพราะไม่สามารถจะแปรเปลี่ยนตัวนี้ให้มันเป็นตัวรู้ขึ้นมาได้อดังนั้นเราอย่าท้อในการแยกเปลี่ยนคือตามรู้ให้มากที่สุดแล้วรู้ทั้งอีรบทใหญ่อีรบทย่อยรู้ตามลมหายใจรู้หลายๆทางเข้าไปรู้ให้ทั่วๆพอรู้อย่างนี้ปับ๊บมันก็สิ่งที่มากระทบปับ๊บรู้คิดรู้สัจธว่ารู้ไม่ต้องฝันไม่คิดรู้เฉยๆรู้ก็ ให้มันจบที่รู้ไม่ไม่ปล่อยให้มันเป็นความคิดความมุ่งความเมา้าความอยากไม่ปล่อยให้มันไปถ้าอย่างนี้ปั๊บเนี่ยการปฏิบัติก็จะเร็วขึ้นเราต้องการที่จิตที่มันรู้เฉยๆจิตมันจะนิ่งที่นี่นะแต่จิตนิ่งไม่ใช่ไหนิ่งแบบไม่รู้แล้วถ้าสมถานนี่เขนิ่งแล้วนิ่งแบบไม่รู้นะแล้วก็เสพเลยเสพสุขเสพสนุกแล้วเข้าไปในลิบในชาในเดชในปฏิหารอะไรมากมายแต่อันนั้นไม่เป็นประโยชน์ทางปัญญา ถ้าสิงกรมาโทษเราเปลี่ยนเป็นอำนาจของสมาธิเรียกว่าเป็นสมถะถ้ากระโทษเราเปลี่ยนเป็นอำนาจของตัวรู้เรียกว่าเป็นวิปัสนาเราต้องการเปลี่ยนเป็นตัวรู้มากกว่าเพราะวิปัสนานี้สามารถที่จะเข้าไปเข้าใจเหตุผลของทุกอย่างตางความจริงแต่สมถะมันเข้าใจไม่ได้เพราะมันเป็นตัวตัวพลังอันหนึ่งนะเนี่ยเป็นตัวพลังออกเป็นอำนาจที่เดชปฏิหาร แต่ออกมาเป็นตัวรู้มันจะออกมาเป็นกําลังของยานของปัญญานะเมื่อเราเกิดกําลังยานปัญญารู้เห็นทุกสิ่งตามความเป็นจริงปั๊บไม่สงสัยเมื่อสงสัยเรามันก็ไม่เข้าไปไปเสกไปติดในอารมณ์นั้นนั้นเราก็ไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์นั้นนั้นทุกอย่างใช้ไปในฐานะตามหน้าที่กินอาหารตามหน้าที่พูดตามหน้าที่เกี่ยวข้องกันตามหน้าที่ไปตามลําดับไม่ได้เกี่ยวข้องในฐานะเราเป็นผู้ยึดเป็นผู้เสกเป็นผู้ที่จะ รับก็ามาเป็นของตัวเองเรื่องไม่มีอุปทานนะเพราะฉะนั้นในช่วงของวันนี้เป็นวันแรกอยากจะให้ไปทดสอบการทําตัวเนี้ให้ให้ถูกต้องกับนะการลุกการนั่งการย่างการเดินเนี่ยสามารถตามรู้ได้ทุกทุกเรบวชไหมคนที่ทําหนอมานานๆานเนี่ยสามารถตามรู้ได้ง่ายนะใช่ไหมเพราะมีพื้นฐานแล้วแต่ว่าจะตามรู้ไม่ให้คิดตามรู้ไม่ให้ง่วงจะไหวไหม ก็ค่อยๆทำไปพอสติมันเข้มแข็งขึ้นเข้มแข็งขึ้นก็จะง่ายก็จะเบานะเพราะนั้นวันแรกวันนี้ในช่วงหลังนะในช่วงหลังทานอาหารเช้าแล้วเจ็ดมงถึงแปดมงเราก็จะมารวมกันที่นี่ก่อนนะในเบื้องต้นนี้ก็อยากจะปฏิบัติในนี้ก่อนเป็นส่วนใหญ่ช่วงบายก็อาจจะขายายรอบๆนี้ไป ก็หลายวันเข้าหรคนไหนเข้มแข็งก็จะขยายออกไปไกลออกไปเรื่อยคนนั้นยังยังแก้ไขปัญหายังไม่ถูกยังไม่เป็นอยู่ก็ยังอยู่ใกล้แค่นี้ก่อนก็จะคอยปรับกันจนกระทั่งว่าคนนั้นเริ่มแก้ไขปัญหาเป็นดูแลตัวเองเป็นในการปรับแก้ไขปัญหาแต่ละอย่างเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นหรือแยกออกไปในสูที่ห่างออกไปแล้วก็แก้ไขตัวเองได้ตามลําดับนะ เพราฉะนั้นในช่วงชาวนะี่ยที่นากล่าวมาทั้งหมดก็เพียงเพื่อที่จะเห็นความสําคัญว่าการมีกายมีจิตแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้มันไม่มีทุกข์อ่ะมันก็จะต้องมีระบบป้องกันนะตัวระบบป้องกันคือตัวระบบสติสมญ伽ปัญญาแต่ถ้าหากระบบสติสัม瑜伽ที่มีอยู่มันไม่เพียงพอที่จะไปแปรสภาพนี้มันได้นะ สมมุติเราจะต้มไข่สักตูกหนึ่งไม่มีไฟเอาไปตากแดดไปตั้งไปางแดดขไข่จะสุกไหมเพออะไรความร้อนไม่พอแต่เอาละผมพเพิ่มความร้อนด้วยการเอาแผงโซลรเซลล์มาตั้งแล้วก็แปลงแสงแดดเนี่ยลงไปในแบตเตอรี่แล้วเปลี่ยนเป็นไฟสองรอยี่สิบใช่ไหมเป็นความร้อนมันพอทีนี้ น้ำเดือดไ ข, ข่สุกนี่คือวิธีการแล้วเราพังในแสงแดดร้่นๆไม่พอําพังกําลังรู้ของสัญญาณเนเหมือนแสงแดดมันไม่พอที่จะไปเปลี่ยนจิตของเราที่เหมือนกับไขด่ดิบฉันชัตญาณดิบเพื่อวิชานี้นะไม่สามารถจะเปลี่ยนเป็นญาณปัญญาได้ต้องมาแปลงตัวรู้ระดับสัญญาณด้วยผ่านวิปัสนาที่เราปฏิบัติให้เป็นตัววิปัสนาญาณที่มีกําลังร้อนสูงกว่าเรียกกาลังญาณและกําลังฌานะา น, นะเข้าใจได้ไหม ก็ะจะได้เพราะคนนี้เพราคนอุทนาสาธุความตั้งใจให้เราได้มีวิญญาณสหะความเพียรอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีบริษัทเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเสื่อใหม่จากชีวิตที่ไม่รู้ให้มันรู้จากชีวิตที่มันไม่เห็นให้มันเห็นจากชีวิตที่เป็นทุกข์ไม่ให้มันทุกข์ด้วยการทุกข์คนทุกข์ทันทอ